นี่คือโอวาทครั้งสุดท้ายที่ท่านอาจารย์มั่นได้ประทานเอาไว้ไม่ทราบว่าสหาธรรมิกซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านอาจารย์มั่นจะจาได้หรือเปล่าถ้าหากจำได้ก็ขออภัยด้วยถ้าหากจำไม่ได้ก็ลองเอาไปคิดเป็นกันบ้านดูสิว่าปฏิปทาของท่านอาจารย์มั่นท่านปฏิบัติอย่างไรแล้วเราควรจะดำเนินตามแนวทางของท่านอย่างไรจึงจะได้ชื่อว่า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 พอเปรียกราบแล้วพยายามที่จะไม่ให้ท่านรู้สึกตัวแต่แล้วท่านก็สั่งพระเนนที่เฝ้าปฏิบัติอยู่ให้เอาท่านลุกขึ้นพระก็เรียนท่านว่าหมอไม่ให้ลุกท่านก็ย้ำว่าเอาลุกขึ้นลุกขึ้ น, นเมื่อเอาท่านลุกขึ้นมาแล้วแานที่ท่านจะพูดอะไรมือที่ยังสั่นเทาอยู่นั่นแหละอุตสา์พยายามพยุงยกขึ้นมาแล้วก็ชี้หน้าพูดแล้วก็บอกว่า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 เป็นมือขวาของท่านอาจารย์เสาเหมือนกันภายหลังมาท่านป่วยอาพาธลงไปทีแรกก็ไปอาพาธอยู่วัดเกาะแก้วอำมพวันอําเภอทาตพนมจังหวัดนครพนมภายหลังญาติโยมก็พามาวัดป่าบ้านสวนวัวอําเภอม่วงสาสิบจังหวัดอุบลราชธานีในขณะที่ท่านมาถึงก็มีพระธุดงค์ากรรมฐานเฝ้าวัดนั้นอยู่แดองค์พออยู่มาไม่ถึงอาทิตย์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 เรายัางไม่ได้บรรลุมรคผลอันใดเราจะรีบเร่งปฏิบัติเพื่อให้ได้อรหันต์ก่อนที่พระพุทธเจ้าจะเสด็จดับคันทัปรินิพานพระอรหันต์และพระภูตุชนธรรมดาทั้งนั้นซึ่งสนใจในการดับคันทัปรินิพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเห็นว่านาวากาภิกษุคือภิกษุผู้บวชใหม่องนั้นไม่สนใจกับกิจการของสงฆ์จึงได้ยกเป็นอธิกรคือข้อพิพาทขึ้นมา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 ต่อหน้าพระผู้มีพระภาคเจ้าท่านก็นยังยกเรื่องเหล่านี้เป็นอธิกรที่สำคัญทีนี้ถ้าหากว่าในสมัยปัจจุบันนี้ถ้าหากสหธรรมิกของเราไปทอดทิ้งภิกษุอาพาธโดยไม่เอาใจใส่อุปถากดูแลรักษาพยาบาลเราสมณะสักยบุตรจะหันหน้าไปพึ่งพาบารมีอาศัยใครหนออันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่ครูบาอาจารย์ในสายนี้ที่ท่านถือเป็นเรื่องเร่งหนักหนา อย่ว่าแต่ในอาวาสเดียวกันแม้ภิกษุในอาวาสอื่นเกิดอาพาธขึ้นท่านจะต้องส่งภิกษุสามเณรองใดองค์หนึ่งไปช่วยพยาบาลรักษาซึ่งมันเป็นกิจธุระหน้าที่แม้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ายังทรงรับสั่งสรรเสริญว่าผู้ใดอุปธรรมอุปถาก ภ, าภิกษุอาพาธมีอ น, นิสงส์งเท่ากันกับอุปถาพระพุทธเจ้าคือเราตถาคต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 เคยผ่านสำนักของอาจารย์มั่นอาจารย์เสามาแล้วโดยเฉพาะย่างยิ่งลูกศิษย์ต้นของท่านอาจารย์เสาที่ยังเหลือค้างอยู่เวลานี้คือท่านอาจารย์บัวพาเพียงองเดียวนอกนั้นก็ศึกลาเพศล้มหายตายจากไปถ้าจะนับอีกก็คือเจ้าคุณจินวงวงสาจารย์ท่านอาจารย์บัวพาก็ไม่เคยเทศไม่เคยพูดเพราะติดนิสัยของท่านอาจารย์เสาแต่ที่แหวกแนวก็คือ